เห็นกิเลสดีที่สุดเลยถ้าไม่เห็นกิเลสนะก็โดนมันครอบงํามันจะมาบงการพฤติกรรมเราไปเรื่อยๆทุกเรื่องเลยนะสอจตรวจอตาในจิตใจมันจะหลอกให้ปฏิบัติโน่นนี่ไปเรื่อยวันนี้จิตกระจายน้อยลงอะไรนะจิตจิตมันกระจายน้อยน้อยกว่าเมื่อวานอ่น้อยกว่าเมื่อวานแต่ไม่ทราบวันนี้ถึงฐานหรือยังยังยังเลยเยอะไหม <laughs> อย่าไปดึงนะถ้าดึงก็ผิดเลยเพราะเมื่อวานเมื่อวาน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 ถ้าเราเติมความปรุงแต่งลงไปก็ยิ่งเดินชา้าถ้าไม่เติมความปรุงแต่งลงไปนะ้เราในสุดพลังของความปรุงแต่งันหมดเก่าก็หมดไปใจก็ไม่ปรุงอะไรใจไม่ปรุงใจจะเข้าถึงธรรมะใจปรุงไม่เข้าถึงธรรมะหรอกเข้าถึงโลกพ่อถ้าเกิดเราพิจารณาอสุภะแล้วก็ <c oughs> ยกใหมถ้าพิจารณาอสุภะแล้วก็ดูว่า ใจตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็หรือใจคิดเป็นเรื่องอื่นอะไรเราก็รู้ตามรู้อย่างนี้ได้ไหมครั <L an> ได้คือแต่ น, นั้นก็คือการดูจิตนั่นเองแต่ว่าเอาการพิจารณาสุภาษเป็นเครื่องอยู่อย่างนั้นก็ได้ได้ไหมจริงๆเครื่องอยู่นะอะไรก็ได้ให้มันมีเครื่องอยู่ที่ไม่ยั่วกิเลสสักอันหนึ่งต้องไม่ยั่วกิเลสนะเครื่องอยู่แบบยั่วกิเลสแบบดูหนังโป๊เป็นเครื่องอยู่อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะยังมาอ้างหรือเล่นไพ่เป็นเครื่องอยู่อะไรอย่างนี้ยไม่ได้อย่างคุณยายนี่ปลูกต้นไม้ ถอนหญ้าเก็บก้อนหินเป็นเครื่องอยู่ทำได้มันไม่ได้ยั่วยกิเลสฉะนั้นจักจะมาอ้างไม่ได้นะหาเครื่องอยู่นี่เขาเรียกทีมอะไรนะทีมทุสีนเนายตั้าคบกับเขาได้หรือเนี่ยพูะเจ้าสอนเนี่ยบอกว่าพวกที่ไปอยู่ด้วยกันนะมันเสมอกันนาย คุณยายเชิญให้กราบให้หลวงพ่อชี้แนะหน่อยคุณยายมัวไปนิดนึงดูออกไหมซึมนิดนึงตื่นเช้าไปหรือก็ธรรมดานะคะแต่มันแบบจิตมันจะแหว่งหน่อยตอนเช้าเจ้าค่ะก็ดูตัวกิเลสมันมันตอนนี้มันซึมกว่าเมื่อกี้อีกาค่ะอาจจะเพิ่งทานข้าวก็ได้แต่กาจะขึ้นลงขึ้นคุณยายดูขึ้นลงด้วยใจที่เป็นกลางนะ มันขึ้นไปใจก็เป็นกลางลงก็ใจเป็นกลางนี้สุดใจจะเป็นกลางกับทุกสภาวะ้าใจเราเป็นกลางใจจะไม่ดิ้นรนปรุงแต่งใจไม่ปรุงแต่งในใจจะได้เห็นธรรมะเมื่อไรใจปรุงแต่งใจมีความอยากใจมีความปรุงแต่งก็เห็นโลกเมื่อไรใจพ้นความปรุงแต่งก็เข้าถึงธรรมง่ายง่ายง่ายนิดเดียวเลยเมื่อเกียดดีแวบหนึ่งนั้นพอดีเป๊ะเลยขอบคุณพี่ชัยเพิ่งมา ส่งกันบ้านเลยรู้สึกว่าดินน้อยครับไม่สทราะรู้สึกว่าดินน้อยครับออาจจะเป็นตึงไว้ช่วงๆครับเออดีแต่ก็ยังยังอะไรนะไม่แน่ใจว่ายังตึงมากไปหรือเปล่าเกินนิดนึงนิดเดียวเป็นไปนิดเดียวนิดเดียวนะไม่มากนะอย่าไปแก้มันครับก็ดูไปเรื่อยๆครับดูมันเดี๋ยวคิดว่ามันตึงของมันเองครับเออมันตึงเองอคุณมนคุณมนไมโคนแล้ว ได้เหยื่อวันนี้ดูสบายขึ้นนะคะหลวงพ่อเทียบกับวันก่อนแต่ว่ามันก็เมื่อเช้ามันมีซึมซึมมีโมวัวหน่อยๆตอนนี้ล่ะตอนนี้ไม่ซึมไม่โมวัวนิดน้อยกว่าเมื่อเช้าอ ะ, ะเออตอบถูกแม่ตับแบบหลีกเลี่ยง <c oughs> <c oughs> ถูกต้อง <c oughs> มีนิดหน่อยมีค่ะหมันเกิดจากใจเนี่ยมันเคลอบเคลิมในธรรมะมากไปนิดนึงเหรอคะ ใจถ้ามันอมันหลวงพ่อมันพอพอมันฟุ้งใช่ไหมคะมันก่อนมันฟุ้งมันวุ่นวายกวนกะวายเอ้าวมันก็ไปลองนั่งสมาธิดูพอแนงเสร็จมันก็เลยซึมลงไปเอตอนนี้มันมันซึมแบบมีความสุขด้วยมนไปอ่านหนังสือหลวงปู่มั่นมาก็เลยหลวงพ่อว่าเมื่อกี้เนี่ค่ะอทราบซึ้งกับธรรมะอ่านหลวงปู่มั่นั่นแหละนั่นแหละมันทราบซึ้งจนตาลอยอ่ะนึกออกไหม ให้รู้ทันตัวนี้นะติดตัวนี้อยู่สุกไปรู้ทํำยังไงต่อละคะให้รู้ทันไงเนี่ยบอกแล้วให้รู้ทันแล้วอ่านอีกได้ไหมคะอ่านได้แต่ว่าทีนี้ไม่มีพิษมีภยัยละอ่านแล้วพอใจเราปลื้มขึ้นมานะก็รู้ทันมันไม่งั้มันจะปลื้มไปเรื่อยอย่างนี้นะมันหลงนะอย่างนี้นแต่หลงดีตายแล้วไปสุคติไปอ่านเรื่องอะไรของโลคูมัน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 เป็นนิสัยช่างสงสัยให้เราคอยรู้ทันมันรู้ว่าสงสัยก็ตอบไปแค่นั้นนะคะแค่นั้น ส, สัย<อ>แล้วก็ไม่ต้องหาคําตอบไม่ต้องหาเราไม่ได้อยากฉลาด <c oughs> เราต้องการเห็นความจริงว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับ <c oughs> เช่นความสงสัยเกิดขึ้นมาดูไปเรื่อยๆก็ดับไปละ <c oughs> ต้องการรู้แค่นี้ไม่ได้ต้องการความฉลาดนะ <c oughs> ถ้าเรียนกรรมฐานอยากฉลาดนะมันจะฟุ้งซ่านไปในธรรมะ <c oughs>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 ไม่รู้เอาช่วยรับใหม่แล้วก็ส่งต่อไปเลยเออถ้าไม่มีอะไรนะก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อสนิดฐ์เนื้อค่ะคือว่าแค่ถึ่นะรู้สึกไหมใจที่ตื่นเต้นเมื่อกี้ค่อยๆลดลงละดูออกใช่ไหมนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติละที่ทําอยู่นี่ถูกต้องแล้วนะรู้สึกไหมใจเรานิ่งกว่านิ่งลงนิ่งลงรู้สึกไหมแล้วมันก็มีความเบิกบานรู้สึกไหม เนี่ยแหละรู้ลงปัจจุบันอย่างนี้นรู้ไปเรื่อยใจเปลี่ยนแปลงที่ภาวานาอยู่นี่ถูกต้องแล้วนะไม่ต้องถามหลวงพ่อเลยเสียเวลามีมีความรู้สึกว่า อ, อตัวเองเนี่ยในแต่ก่อนนี้ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นคนแบบจิตใจเฉยแต่แต่รู้สึกว่าตัวเองเปจิตใจไม่ค่อยดีเป็นคนที่เหมือนกับจิตใจเราบางครั้งรู้สึกใจเรามันร้ายจังเลยอะไรอย่างเนี้ค่ะ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 ถ้าชั้นงามจริงๆชั้นคงบรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้วล่ะถ้าเราเห็นกิเลสตัวเองได้ดีที่สุดนะหลวงพ่อนิยมชมชอบมากเลยลูกศิษย์เห็นกิเลสเนี่ยถ้าลูกศิษย์เห็นแต่กิเลสคนอื่นนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะถ้าเห็นโอ้กิเลสเรานี่เยอะแยะเลยทํางานตลอดใช้ได้แต่เราก็ทุกตรงที่ว่าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถในความ ร, รู้สึกว่าทําไมเราขจัดไอ้ตรงสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่ออกไปกไม่ได้รู้สึกไม่ไล่ไม่ได้ การที่เราขจัดมันไม่ได้ น, ะนะนะั่นแหละคือความจริงอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเราบังคับเขาไม่ได้จริงเห็นไหมใจเราเริ่มเห็นความจริงแล้วแต่เรายังยอมรับไม่ได้เราเห็นความจริงแล้วว่าเราบังคับมันไม่ได้แต่เรายังอยากบังคับอยู่การที่จจเราบังคับไม่ได้นั่นแหละเป็นธรรมะละคือความจริงแต่เขายังคิดว่าถ้าถ้าเกิดเราไม่สามารถขจัดเขาตรงได้ตรงเนี้ยค่ะ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 ต่อไปมันกิเลสมันครอบงําไม่ได้นะเพราะงั้นเราชั่วไม่ได้หรอกแต่เราเห็นเลยความชั่วเกิดบ่อยแต่ความชั่วครอบงําใจไม่ได้ดีละวค่อยฝึกไปเผลอละเนี่ยตอนส่งไม้นะเผลอลืมตัวเอ ง, งอ้าวจู น, นลงกบ้านมีการแอบทํายิ้มไปยิ้มมาส่งต่อส่งกันบ้านอีกเหรอคะก็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 นีหลงไปล้วนีอ้าวจูนต่อจะบอกว่าเดี๋ยวนะจูนค่ะหลวงพ่อเรียกไปอย่างนั้นแหละเพราะอะไรรู้ไหมตอนจะเล่าเนี่ยนะรู้สึกไหมมันเริ่มอินละค่ะเลือออกไหมมันดูไม่ออกค่ะมันไปหมดแล้วค่ะเเออ้าาล่ไดจะบอกว่าจุนียิ้มรู้สึกว่าถ้าไม่มีสติรู้อยู่ขณะที่ไม่รู้ตื่นอยู่เนี่ย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 จะภาวนาพุโทโธให้ใจภาวนาคําว่าพุโทโธไปเรื่อยๆนะคะเท่านี้ภาวนาไปบางครั้งเราเห็นคือครั้งหนึ่งเคยเห็นแต่ว่ามันไม่มีอะไรนอกจากเผลอคิดอย่างเดียวเลยเออนั่นแหลเะเผลอคิดตลอดจนมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือรู้ว่าเที่ยวหนึ่งเราเผลอคิดกี่ครั้งเจ็ดครั้งบ้างสามครั้งบ้างบางครั้งครั้งหนึ่งก็เกิดความสงสัยว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคงไม่ใช่แล้วรู้สึกเผลอน้อยผิดปกติเจ็ดครั้งในเวลาเท่าไหร่ ในระยะเวลาหนึ่งทางเดินนะคะ่<ฮ>ะเดินนานไหมก็ทางทางเนี้ย<า>เดินนานไหมก็ได้สักยี่สิบเก้าค่ะเก้าละลชั่วโมง อ, ะอ่ะบางคนมันเดิน <c oughs> หลวงพ่ออยากรู้ว่าไอ้ที่เผลอเจ็ดครั้งเนียมันใช้เวลาสักเท่าไหร่ถึงนาทีไหม เกินค่ะเกินนาทีนะเดินช้าเนี่ยยี่สิบเก้าที่มันแคบค่ะค่อยๆเดินเจอดีแล้วหัวจะได้ไม่โขกอะไรน้อยค่ะใช้ได้ที่ทําอยู่ดีแล้วอค่ะแล้วคราวนี้พอพอมีอยู่ครั้งนึงหนูก็นับนับนับความเผลอค่ะจากอํานับไปนับมานี่เหมือนเราไปตั้งใจนับเออนับตั้งใจนับก็เครียดคือเราไม่เห็นเผลอเลยไม่เผลอให้เราเห็นเลยค่ะ ต้องไม่ตั้งใจนะให้เผลอไปแล้วก็ค่อยรู้เอามันก็เป็นแบบเพ่งตลอดทางจนต่หัวทางถึงปลายทางถูกต้องถ้าจงใจดูก็เป็นการเพง่งเพราะง<ร>ั้นให้เผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลอเรียกว่าตามรู้การดูจิตนี่ต้องตามรู้เผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอถ้านาทีกว่าๆเผลอได้เจ็ครั้งก็ดีแล้วละ่ะดลีละเราไปชํานาญมากขึ้นจะเผลอทุกๆสองวินาทีแล้วก็มีติดอีก อีกที่หนึ่งนะคะ่ะคือว่าคำภาวนาพุทธโธ ท, ที่เราท่องอยู่ในใจเนี่ยคะ่ะบางครั้งภาวนาไปแล้วพุทธโธมันหายหนูก็เดินเดินไปก็พุทธโธหายก็หาพุทธโธก็หายไปไหนก็เรียกกลับมาค่ะพอเรียกกลับมา <c oughs> เดินเดินไปแล้วเรารู้สึกว่าพุทธโธกับกลายเป็นมันอึดอัดอะคะ่ะ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 ท่านบอกท่านพุโทโธตลอดนะแล้วแต่เราแล้วแต่จิตใจแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อพุโทโธพุโทโธไปช่วงพอใจรวมนะก็ทิ้งพุโทโธพอจะกลับไปพุโทโธก็อึดอัดไม่เอาพุโทโธละเราจะเอารู้จิตรู้ใจไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้เพียงจองที่ภาวนาอยู่ดีนะไป ท, ทำต่อไปได้ <Okay. S 1> ส่งต่อไป ครับอาจารย์ครับ<โ>ก็คงคล้ายๆกันฮะเดินไปแล้วก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่บ้านเป็นเหมือนตอนนี้ไหมเป็นฮะอยู่บ้านก็จิตใจเหมือนตอนเนี้ยเหรอเอาไม่ใช่ฮะอยู่อยู่ขนาดนี้รู้สึกว่านิ่งมากเออนิ่งเกินจริงนิ่งเกินจริงะปะไอลมันปลมันแต่เวลาเดินก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเราเผลออ ย, อยู่ตลอดเวลาเออดีอย่างนั้นดีแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันนิ่งเกินไปไม่แน่ใจว่ามัน ตรงถ้ามันนิ่งแบบนี้ป่ะอย่างตอนนี้มันนิ่งเกินไปตอนนี้นิ่งเกินไปเอนิ่งเกินมันนิ่งเกิดจากเราจงใจปฏิบัติไปไปจ้องมันไว้อจริงผมก็ปล่อยตามสบายนะแต่มันมีความรู้สึกของมันเองมันมันเคยชินเคยชินเคยชินที่จะเพ่งมันก็จะเพ่งต้องเอาเพ่งออกก็ให้รู้ทันมันถึงจุดที่ภาวนามาถึงจุดนี้แล้วเพ่งก็ไม่มีอันตรายอะไรเท่าไหร่แล้วรู้สึกไหมจิต ตเกียก็หลุดออกจากการเพ่งแว บ, บๆออกมาครับครับครับรู้สึกหลุดออกมาอ่นั่นแหละรู้สึกหลุดออกมาแล้วมันกลับไปเพ่งก็รูม้มหลุดออกมาก็รู้นะการเพ่งของคุณตอนนี้ไม่มีพิษมีภยัยละครับไม่เหมือนบางคนตอนหัดเพ่งแล้วเพ่งแข็งปึ๊กอยู่นั้นนั้นมีปัญหาปล่อยไม่เป็นของคุณจิตมันยังหลุดออกมาใช้ได้ครับครับมาสการก์อ่า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 เวลาลู่ชินอ่ะสอนยากสอนยากแยบมันเยอะเกินตั้งเจ็ดแปดรอคนเรียนไม่ไหวหรอกของโยมดีขึ้นเยอะเลยนะมีใครบอกไหมว่าสวยกว่าเก่าดีกว่าเก่าสดใสเนี่ยถ้าคนใกล้ๆตัวคนในบ้านเรานะเขาจะรู้สึกได้เหมือนกันบทีรู้สึกเราเปลี่ยนแปลงนะเราเปลี่ยนแปลงจิต ใ, ใจเรามีความสงบร่มเย็ น, นคนท้าภาวนาถูกต้องนะใครเข้าใกล้ก็รู้สึกสบาย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 ผู้ดูก็เป็นคนดูอยู่แล้วก็กายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งเนี่ยตัวเองไม่รู้สึกแบบนั้นนะคะรู้สึกว่าเอ้เวลาเรานั่งพระเพียบแล้ขาชาเนี่ยก็โอเคว่าเราเราไม่ไ ด, เไได้เราไม่ได้ฝึกแบบเวทนาแล้วก็พลิกเปลี่ยนได้เนี่ยนะคะมันก็ยังมีนความรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนเปลี่ยนเพื่อที่จะให้มันมันคลายจากจากการเด็ด<ม>ชายชอยาแล้วก็เวลาฝึก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 สมมติเราไม่รู้จักสภาวะอะไรเลยนะรู้เผลอคิดอันเดียวพอละพอเพราะเผลอคิดนี่เกิดบ่อยที่สุดเนี่ยตอนนี้เผลอคิดละทราบไหมภาวนาเก่งนะสองคนเนี้ค่ ะ, ะต่อไปเพิ่งมากราบหลวงพ่อครั้งแรกค่ะยังไม่ทราบว่าจะเรียนต่ตื่นเต้นไหมไม่ไม่จิตใจเป็นไงมีปีติไหมจิตใจมีปีติไหมมีให้รู้ทันปีตินะให้รู้ทัน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 เพิ่งเลยมาแต่กี้เสื้อเหลืองอะเอาป้ายกลับข้างหลวงพ่อเลยไม่รู้จะเรียกยังไง <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ใจลอยไปนะไม่ได้ฝึกที่พระจักษุย้อนหลังก็ตอนอช่วงสองสามที่ก่อนๆ ท, ท, ที่จะมากราบหลวงพ่อก็จะมีความรู้สึกว่าจิตใจมันมันจะไปจมกับความรู้สึกอะค่ะอย่างเกิดความรู้สึกโกรธหรือเศร้าขึ้นมามันก็จะแบบ ไม่ค่อยไม่ค่อยจะรู้สึกตัวมันจะจมมาแล้วก็โกรธก็โกรธมากเศร้าก็เศร้ามากองเค่ะแล้วพอเมื่ออาทิตย์ก่อนมากลับช่วงอาทิตย์นี้หลังจากกลับมาก็รู้สึกว่าจิตใจมันก็เบาลงแต่ที่นี้มันจะหลงหลง เ, เรื่องคิดหรืเอเผลอคิดเนี่ยเยอะมากค่ะแล้วบางทีก็คิดไปนานก็นจะรู้สึกตัวแล้วบางทีก็สั้นๆอย่างเงี้ยค่ะในช่วงนี้ก็จะดีแล้วนี่แต่นิ่มหารูปแบบไว้อันนะขยับไปก็ได้อะไรก็ได้แค่นี้ก็ได้แต่ว่าอาจจะอาจจะไปนั่งอ ดูหลมหายใจค่ะแต่ไม่ได้ทำปฏิบัติในรูปแบบอาจจะต้องกลับไปทำนะคะเดี๋ยวทิ้งรูปแบบ <S S ถ้าทิ้งรูปแบบแล้วใจไม่มีแรงที่ภาวนาอยู่ดีดขึ้นเยอะแล้วรู้สึกไห้ใจเราโปร่งโล่งเบาสบายดีภาวนาได้ดีหมอทังสังกราบนการหลวงพ่อครับช่วงหลังเนี่ผมลุยอยู่เรื่องเดียวก็คือว่าปล่อยปล่อยแบบ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 ตอนนี้มันเพ่งน้อยลงมันจะฟุ้งซ่านเยอะขึ้นให้เรารู้ทันเรื่อยๆนะแต่เดิมเราเก็บกดเยอะตอนนี้กิเลสก็จะแรงอาจจะโมโ<ช> ห, หงุนหงิดอะไรเงี้ยะแล้วก็คอยดูเอาใจเราต้องปล่อยของคุณหมอยังปล่อยไม่หมดน ะ, ะดูออกไหมยังยังรู้สึกอยู่เยอะเยอะมากเลยว่ามันมันสงบแล้วมันก็พอใจกับเรื่องของความสงบไปเรื่อยๆให้รู้ทันตรงนั้นน ะ, ะใจมันยังติด ความสงบอยู่ช่งหลังพอปล่อยมากๆเข้าเห็นนิ่มทักทีผมก็ยังแปลกใจว่าที่ทําไมต้องทําหน้าอย่างนั้นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีความโกรธไหลออกมา อ, อ<ล>ะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้ฝึก เ, เก็บกดครับไม่ก็ได้แสดงแบบแบบนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราปล่อยมาพอสมควรแล้วเหมือนกันดีถ้าถ้าเราเกาะนิ่งๆอยู่นะั้มันไปไหนไม่รอดหรอ ก, กมันเหมือนเราจะข้ามสะพานนะเราเอามือจับราวสะพานไว้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 จิตก็ค่อยไม่ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งโดยที่ไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาจิตอย่างที่คุณหมอเคยทำแต่เดิมนะจิตมันไปสร้างพบขึ้นมาหนึ่งพบของพลมสร้างพบของพลมคือน้อมใจให้นิ่งไว้ก็คือความปรุงแต่งอันหนึง่งแล้วพบอันนี้อายุยืนยาวนะนี่พอเราปล่อยทิ้งจากพบอันนั้นแล้วเราค่อยมารู้สึกเอารู้สึกเอาแต่และพบจะสั้นสั้นสั้นลงสั้นลงถึงจุดหนึ่งจิตไม่สร้างพบอะไร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 แต่พอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยบางทีจิตก็ไปปรุงต่อหน้าต่อตาเนี่ยไปหลงยินดียินร้ายเข้าไปทำโน่นทำนี่ห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ว่าคอยรู้มากเข้ามากเข้าต่อไปเขาไม่ปรุงเขารู้แล้วเขาจบลงแค่การรู้เมื่อไร่รู้แล้วจบลงแค่การรู้เนี่ยมันใกล้ต่อมรคนิพานแล้วนิพานนี่น เ, นเป็นความไม่ปรุงแต่งดังั้นที่หลวงพ่อคอยแคะคุณหมอออกมาจากภพอันนั้นภพอันนั้นก็คือความปรุงแต่ง S <S พบของพรหมก็คือความปรุงแต่งมันก็ขวางเราไว้จากนิพพานนั่นเองพบไม่ว่าจะดีวิเศษแค่ไหนมันก็คือพบ พ, บพบระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพบเหมือนอุจจาระนะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ไม่น่ารับประทานแต่เราก็รู้สึกก้อนเล็กก็ดีกว่าก้อนใหญ่ใช่ไหมถ้าจําเป็นต้องรับประทานนะพบของเทวดาของมนุษย์ก็ดีกว่าพบของสัตว์นรกเปรดอสุรกายอะไรเงี้ยนะรู้สนะึกอย่างนั้น ก้เล็กหน่อยคําถามเนี้ยมีตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอะค่ะถามลุงพ่อไม่ทันก่อนที่อาทิตย์ที่แล้วที่จะมาวัดเนี่ยค่ะ เ, เตรียมตัวไว้ก่อนแล้วว่าจะมาแล้วทีนี้พอตื่นเช้าขึ้นมาเลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากมาตัวเองก็เลยนึกได้ว่าเอ๊ะทาไมเนี่ยตัวเองนี่มีเวรกรรมจริงนะจะมาวัดทั้งทีทําไมถึงไม่อยากมา พอนึกได้แค่นั้นก็เลยบอกตัวเองว่าให้ตัวเองอใจยเย็นๆแ ล, แล้วแล้วมีลูกนะคะก็เลยจัดการกับลูกแบบทำทำตามสเต็ปของของควรอันอันไหนที่เราควรจะทําก่อนหลังแล้วก็ไปส่งลูกก็ลืมสภาวะตรงนั้นไปนะคะว่าตัวเองไม่อยากมาเพราะยังไงก็ต้องมานะคะว่าจะมาและทีนี้พอไปส่งลูกค่ะกลับจากส่งลูกอะค่ะขับรถมาแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวเองมีความสุขจังนะคะขับก็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 มานั่งอยู่ในศาลาเนี้ยก็ก็ยังมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขใจใจบานมากอะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยนึกสภาพไปว่าเอ๊ะวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรที่ทําทำให้ตัวเองมีความสุขขึ้นมาได้ก็เลยนึกถึ ง, ถ, งถึงสภาวะตรงตร ง, ตรงที่ว่าไม่อยากมาวัดแล้วตัวเองก็ไม่ได้นึกถึงเอ่อก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่ามันเป็นเพราะสภาวะนั้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะอะไรอะค่ะไม่เคยเราพยายามอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อย อย่างเรามีงานเราจะต้องดูแลลูกอะไรเงี้ยเราไม่ไปคิดฟุ้งซ่านไปอดีตอนาคตเรารู้อยู่เฉพาะหน้าเราทาอยู่เฉพาะหน้าทำให้มีความสุขไม่ไม่ใช่เพราะว่าไม่อยากมาวัดอะไรน้นมันไกลไปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันหรอคะไม่เกี่ยวนะโอู้กทำไมทาไมเวลาจต่เกศุถ้าเมื่อไรอยู่กับปัจจุบันจะมีความสุขอย่างเราทำอะไรเราก็จดจ่ออยู่กับการทำอันนั้นก็มีความสุข แล้วทำไมเวลาอย่างอย่างจะมาวัดทุกทีหรือไม่ว่าจะไปที่ไหนที่ที่เป็นวันนะคะทําไมมีความรู้สึกแบบนี้บ่อยๆอะคะว่าไม่อยากมาเหออหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันเพราหลวงพ่อเคยเป็นแต่อยากไปวัดเป็นนั่นอะสิคะแบบก็ก็ไม่ได้ว่าตัวเองลําบาก ท, ที่จะมาไม่ได้นะคะแต่ว่ามีความรู้สึกแบบนี้บ่อยมากแล้วแบบต้องต่อสู้กับมันนะคะแล้วสู้เอาชนะให้ได้นะมาะบ่อยๆ มาแล้วก็มานั่งดูความรู้สึกของเรารู้สึกไหมใจเราโปร่งใจเราโล่งขึ้นมาใจเราสบายขึ้นมาค่อยรู้สึกไปมานั่งฟังนะเราจะได้ตื่นได้เต็มที่ขึ้นมาถ้าเราละทิ้งโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะที่เกี่ยวกับความรู้สึกตัวนี่ยเสียโอกาสมากเลยน้อยอกน้อยคนนะที่จะได้ฟังธรรมะเกี่ยวกับความรู้สึกตัวขึ้นมาค่ะหนูเพื่อนหนูเล่นคอมอยู่เพื่อนก็บอก คุยกันธรรมะนะคะเพื่อนเขาบอกว่าอยู่ใกล้อาจารย์่ะต้องมากราบบ่อยๆคนอื่นเขาไม่มีโอกาสได้ม า, าหนูอยู่ใกล้ต้องมาบ่อยๆหนูก็พยายามที่จะมาบ่อยๆแล้วก็พยายามนึกว่าการที่จะมาหนูหนพยายามนึกว่าหนูจะไม่ยึดติดอาจารย์นะคะแต่ว่าหนูจะมาเอาคํำสอนมาไม่ต้องเอาอะไรก็ได้นะมานั่งฟั ง, ฟงเฉยๆแหละแต่น <ะ S 1> หนูไม่รู้ว่าหนูคิดถูกหรือว่าเป็นอะไรนะคะแต่เป็นเป็นความรู้สึกที่หนูอยากเล่าเฉยๆแต่ไม่ไม่ได้แบบ ไม่ได้กล่าวว่าจะแบบพูดจาแบบลบหลู่เลยกลัวกลัวพูดผิดนะคะมไม่ผิดอะไรหรอก <c oughs> เรามาฟังนะใจเราค่อยๆตื่นขึ้นตื่นขึ้นต่อไปร <c oughs> ่างกายเราเคลื่อนไหวสติจะเกิดจิตเคลื่อนไหวสติจะเกิดมันจะรู้สึกได้ทั้งวันนะและใจจะมีความสุขค่ะ <c oughs> ลูกเมื่อคืนลูกบอกว่าเอ๊พักเนี่ยแม่หนุมีความรู้สึกว่าแม่ใจดีบอก บอกว่าปักจุบนห น, หนูใจใจลายไงคะหนูจะกิดโอ้โหเลบอกว่าแล้แม่แม่ใจดีคนเด็กมันคุณซือหลวงพ่อถึงบอกไงคนภาวนานะถ้าทำถูกต้องนะคนรอบๆตัวมันรู้สึกนะรู้สึกในบ้านมันสงบในบ้านมันร่มเย็นถ้ายังร้อนอยู่สแสดงว่าทำผิดอยู่ <c oughs> ดีอ่ะไปบินก็สติเกิดทั้งวันนะครับ <S <S <S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 อ้าไม้มันรู้สึกตัวขึ้นมาเองเลยครับเมื่อวานตอนนี้เหรอไอตอนนี้ไม่ตอนนี้แข็งแข็งครับเออตอนนี้แข็งไปแล้วกลายเป็นศิลาแล้วครับ <laughs> แต่ว่ามันไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างเมื่อวานมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาเฉยๆเลยครับทํารู้สึกว่ามันทำอัชาติมากดีแล้วดูกายไปไม้นะงงไม่ต้องดูจิตแล้วดูกายกับดูจิตมันจะไปบรรจบกันตรงไหนอะครับตอนที่าาที่ากกามันรู้สึกตัวขึ้นมาเอาล่ะครับเธอรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างท่องแท้แล้วไม่มีกายไม่มีจิตอะไรแล้ว เดี๋ยวสติก็รู้กายเดี๋ยวสติก็รู้จิตรู้แล้วก็วางไปเรื่อยๆไม่ได้ไปหยิบฉวยมันไงต้อมเป็นธรรมดายังยังครับตอนนี้ยังแต่เมื่อเช้ารู้สึกเป็นธรรมดามากกว่านี้ตอนนี้ดธรรมดามากกว่านี้ครับแล้วก็มีเขาสึกว่าโยนไอ้ตัวกระหายปัญญาทิ้งไปได้ 80% อร์เซแล้วครับตัวอะไรนะจิตที่กระหายปัญญาที่จะคอยวิ่งวิเคราะห์วิจัยต่างๆโยนไปได้ 80% เปอรดีอย่างนั้นก็จะสบายขึ้นครับแต่ก็ยังอยากได้ความรู้อีกนิดหนึ่งครับ าาตรงภาหิยะครับสูที่บอกว่าสักว่ารู้สักว่าได้ยินแต่ตรงทราบสักว่าทราบเนี่ยครับต่ำต่ำยกไมค์ใกล้ๆปากเอเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินอันนั้นเข้าใจครับแต่ทราบสักว่าทราบตรงเนี้มันคืออะไรครับเนื่อใจสภาวะใดๆเกิดขึ้นแนละถ้าจิตไปรู้เข้าก็รู้มันเรารู้แล้วไม่เติมอะไรลงในการรู้คือท่านรวมอายตนะที่เหลือเข้าไปที่ทราบท่านไม่อยากพูด6อันเพราะว่าท่านภาหิยะเก่งแล้วไม่ต้องพูด6อัน เรสร็จแล้วก็แค่นี้ก็ถึงรู้จรแจ้งละท่านถึงบอกเมื่อรู้แจ้งก็ให้รู้ว่ารู้แจ้งนะก็จบตรงแค่นั้นเห็นไหมท่านบอกว่าดูก่อนภาหิยนะในการใดแลเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเนะมื่อฟังจักเป็นศักว่าฟังเมือ่อทราบจักเป็นศักว่าทราบเมื่อรู้แจง้งจักเป็นศักวะรู้แจ้งในการนั้นท่านย่อมไม่มีเนะมื่อท่านไม่มีในปัจจุบันท่านไม่มีในอดีตในอนาคตนะนี่แหละที่สุดแห่งทุกข์เมื่อเราพยายามฝึก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 แต่กว่าจะเป็นพาหิยะต้องตายเลยนะต้องขึ้นเขาไปถีบบันไดทิ้งใจขนาดนั้นนะ่ะโอ้โหท่านไปกันหลายองค์ใช่ไหมจะตายด้วยกันหลายองค์เนยอ้าวจากตื่นเต้นครับอะไรมันจะตื่นอะไรข้างมันได้ช่วงอาทิตย์ก่อนจิตไม่มีแรงเลยครับ <c oughs> แล้วก็ มันก็ไม่มีแรงจะสู้เท่าไหร่แล้วครับก็ดูไปเรื่อยๆก็เห็นมันกิเลสเยอะมากนะครับแต่ช่วงนี้ภาวนาดีขึ้นละเพิ่งเป็นเมื่อสองสาวันเนี่ยครับมันมันไม่มีแรงดิ้นมันก็เลยมันมันดูแบบไม่เอาสติแลครับเออนั่นแหละมันต้องหมดเรื่องหมดแรงนะดูแบบไม่รู้จะทาไงแล้วแบบหลังชนฝาแล้วไม่รู้จะสู้ยังไงกิเลสให้มันถลุงข้างเดียวเลยมันไม่มีแรงจะประคอง แต่ก่อนนี่เวลาไปดูมันจะมีความรู้สึกว่าดูเพื่อที่จะให้มีสติตอนนี้ดูก็ดูไปอย่างนั้นเออน่นแหละดีแล้วมันก็มีผมโมหะเยอะโลภะก็เยอะโทสะบางทีก็เยอะเออแมมันเยอะหมดเลยกินพื้นที่ไปหมดละคือมีแต่กิเลสครับไม่ไม่ใช่มีแต่กิเลสหรอกทุกครั้งที่รู้ว่ามีกิเลสคือมีสติเพราะนั้นถ้าจักเห็นกิเลสเยอะก็คือสติเยอะแหละ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 เดี๋ยวพอมันมีแรงมันก็กลับไปประคองใหม่นะไร <laughs> นะ ม, มันจะเป็นไซเคิลครับพอเดี๋ยวพ อ, พอมันได้ที่พอมันมีแรงที่มันจะ ก, กลับไปประคองให้มันสว่างสว่างใหม่เออแนละ้วก็ผิดไปอีกตัําหลงไปแล้วแล้วตั้มก็บังคับอยู่ตลอดเวลาเลยดูออกไหมขณะนี้ยบังคับอยู่นะนะรู้<อ>สึกว่ารอบแรกมันดีกว่ารอบสองนะครับรอบนี้เป็นโรคแพ้อาหาร <laughs> เ, หเหมือนเหมือนรอบสองแบบมันบังคับนะครับแบบกดเอาไว้ไม่เพราะว่า<ๆ>เราง่วงง่วงใจมันมัวมัวแล้วก็ฝืนมันมันก็เลยไปฝืนมันเข้าไม่มีเป็นอะไรไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแล้ว อ, อย่างรอบแรกนี้มันติดสมถะหรือเปล่าครับไม่เป็นไรดูไปใช้ได้เพราะว่า ป, อ, ป, อ, ปอแบบดูไม่ออกว่าช่วงไหนที่มันสมถะจากการเพลงกับช่วงไหนสมถะ ก, กับการรู้ตัวครับก็ถ้า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 ขนาดนี้ใจมันไม่ถึงฐานมันใจมันไม่ตั้งมั่นครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลใจหรอกเบื้องต้นเนี่ยหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆครับจิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้นะจะเป็นกุศลนะกุศลอะไรคอยรู้ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยมันเข้าที่เองครับที่ทำอยู่พอใช้ได้ละแต่ใจมันยังไม่มีแรงครับผมดูบ่อยๆเห็นไหมเผลอละตอนส่งใหม l เนี่ยเผลอไปรู้จักเผลอหรือยัง เผลอบ่อยไหมวันหนึง่งนะหากระดาษไม่แผ่นหนึ่งนะแล้วลองจับเวลาหนาทีเผลอกี่ครั้งเอาหนาทีพอแล้วพรุ่งนี้มาจับอีกใหม่ห้านาทีใหม่แต่อย่าไปเพ่งไว้นะนั่งพุดโธไปก็ได้อะไรไปก็ได้เคยทํากรรมฐานแบบไหนดูท้องพองยุบเหล่าดูลมหายใจก็ได้รู้ลมหายใจไปนะแล้วพอใจลอยแว้บไป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 เ น, นี่ยตอนเนี้ยใจหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมยังไม่เห็นไม่ต้องเกรงใจเนี่ยเกรงใจหลวงพ่อเี่ต้องกลัวจะหลวงพ่อเสียกำลังใจใครๆดูไปใจเรานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปเรื่อยๆความจริงดูแค่ว่าใจเราเนี่ยปะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยดูอยู่แค่นี้ก็พอละ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 แล้วไอ้คือที่เรียกว่าบังคับอะคะ่กับการหาเครื่องช่วยคือทุกวันนี้ยพยายามฝึกโดยการสัมผัสนิ้วเวลาไม่นึกอะไรไม่ได้ก็สัมผัสนิ้วไว้ก่อนอย่างนี้เรียกว่าการบังคับด้วยหรือเปล่าคะประจงใจปจงใจทำปก็จงใจทําใจเราจะทื่อๆแข็งๆขึ้นมาใจไม่สบายจิตใจที่ดีที่สุดนะคือจิตใจปกติจิตใจธรรมดาที่สุดของมนุษย์ธรรมดานั่นแหละ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 ปฏิบัติก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ตั้งใจมากจะมาอยู่วัดหรือจะอยู่อยู่วัดป่ะวันนี้อยู่ค่ะเอองั้นข็ข้ามไปก่อนไปอ่ะไปองมีอะไรไหมองอ่ะเอาเอะไรยมแหละถือใหม่แล้วเอาก็ก็ก็ยังคิดว่ายังเพ่งอยู่อ่ะใช่ใช่ตอบถูกแล้วใช่ได้ <c oughs> เท่าเท่าที่ทําอยู่เนี่ยนะคะคือพอรู้ปั๊บก็หยุดอยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็ไปต่อแล้วก็ไม่หยาดหยาไปกดใจให้ซึมก็แล้วกันพอรู้ก็หยุดอยู่ตรงนั้นอย่าไปขมมาให้นิ่งๆนะเฉยๆมันเฉยไปคือไม่ใช่คือหยุดใจมันสงสัยแวบหนึ่งทราบไหมค่ะทราบค่ะอย่เนี้ยให้มันปล่ให้มันมันยังสงสัยแวบแล้วก็รู้ทันแล้วก็ไปเนี่ยฝึกอย่างนั้นนะค่ะสมแก้มน้ำมัสการหลวงพ่อจ้ะค่ะ รู้ว่าเวลานี้ตื่นเต้นแต่น้อยลงฝ่าที่มากับผลงพ่อเที่ยวแรกค่ะจะรู้เร็วมากก็ตอนเจอแบบคู่อริอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีนะ ม, มีคู่อริมีความรู้สึกครูบาอาจารย์องค์เนื้อสอนอะไรนะชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลัง เพลงแต่ยานี่เยอะเกินไปหน่อยที่ทําอยู่ใช้ได้แล้วเราบางวันน่ะคอ่านไม่รู้เรื่องเลยออ่านไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ไปเลยไม่เป็นไรก็เลยไม่รู้ทําไงก็เลยแบบเปิดเพลงฟังอาแฟ่ที่จะเปิดซีดีหลวงพ่ออ่านไม่รู้เรื่องก็ฟังสิฟซีดีแล้วแฟนก็เลยถามว่าไม่ฟังธรรมะแล้วเหรอ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 แต่มันก็เฉยๆครับมันเหมือนกับว่ามันไม่เกิดปัญญาไม่สักเท่าไหร่ครับไม่ไม่๋ยวไปรีบร้อนมีปัญญาให้คอยดูใจที่เปลี่ยนแปลงไว้ปัญญาเนี่ยไม่ใช่รู้อะไรมากมายปัญญาของพระโสดาบันนี่รู้แค่ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเลยรู้สึกไหมในชีวิตเราชั่วคราวหมดเลยเนี่ยจิตของคุณพอมันเดินมาถึงจุดนี้มันจะเริ่มเบื่อไปหมดเลยเห็นอะไรก็เบื่อไปหมดเลยตรงนี้เป็นจิตที่เป็นปกตินะ ของคนที่ภาวนาได้ดีก็าภาวนาดีมาถึงจุดของคุณตรงนี้ใจมันจะเริ่มเบื่อเห็นอะไรก็ไม่มีสาระไปหมดเลยให้เรารู้ทันใจที่เบื่ออีกนะก็ แ, แยกออกไปความเบื่อก็ส่วนหนึ่งนะใจก็ส่วนหนึ่งใจไม่เบื่อหรอกความเบื่อเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามานี่ยดูอย่างนี้นะในสุดใจจะตั้งมั่นอยู่ที่ภาวนาอย่างนี้เก่งแล้วนะดีมาได้ตั้งครึ่งทางแล้วก็วันนี้จะมาอยู่วัดกับหลวงพ่อค่ะเอองั้นไม่ต้องแล้ว อาจารย์ค่ะอยากทราบว่าที่หนูปฏิบัติอยู่เนี่ยฮะจะถูกเปล่าอย่าบังคับมันนะดูเล่นเล่นอย่าบังคับมากไปนิดนึงเลยค่ะเพราะว่านั่งฟังพระอาจารย์พูดอยู่เนี่ยรู้สึกว่าใจมันแวบไปที่บ้านบ่อยเอไม่เป็นไรแวบไม่เป็นไรอย่างตอนเนี้ยมันเกร็งรู้สึกไหมค่ะเออมันเกร็งรั่าเกร็งฟังไปแล้วใจแวบไปรู้ว่าแวบไปนะเอาซีดีไปฟังอีกพาฟังแล้วก็แวบก็รู้แวบก็รู้ฟังไปเรื่อยๆอ๋อค่ะ เอาวันนี้ได้แค่นี้นะไดแค่นี้องมีอะไรเปล่าอ้าเดี๋ยวแถ ม, อ, อ, ม อ, อีกคนอ่อนนี่เบอร์สิอีกคนองนอนมาหลายวันค่ะก็เลยค่อนข้างจะนิ่งไปนิดนึงเกินจริงนิดนึงแต่กำลังคิดว่าถ้าจิตนิ่งแบบนี้เนี่ยตอนที่ไปเจอโลกน่าจะน่าจะเร็วขึ้นอะไรนะเวลาที่เข้าไปกลับเข้าไปทำงานนะคะน่าจะน่าจะสามารถ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 มันก็หายไปหมดเลยไม่มีกายไม่มีใจตอนแรกมันจะแยกออกก่อนคือกายปกติเนี่ยเวลาภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยขององค์เนี่ยตัวจิตกับตัวองค์มันจะแยกออกจากกันตอนนี้มันแยกกายก็แยกออกจากกันสักพักหนึ่งทุกอย่างมันหายไปหมดเลยมันก็เลยแต่ลมหายใจจะอยู่บางๆใช่ไหมคะก็กลับไปดูลมหายใจแล้วก็องค์ก็เลยดิ่งเข้าไปดูที่ตัวรู้ตัวรู้สึกเลยว่าตอนนี้รู้สึกยังไงมันมีมันมีความกลัวผุดขึ้นมาเยอะ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 ใช่ค่ะสักแต่แต่พอนานๆไปความกลัวก็ดับก็จะเหลือแค่ลมหายใจเหลือลมหายใจก็รู้กับรู้ใช่ค่ะแล้วก็ทรงอยู่อย่างนั้นอ่ะทออกไปออกมา<ย>แล้วก็อะไรแปลกปลอมเข้ามาก็ค่อยรู้เอาแ ต, ตแต่เวลาได้สมาธิแต่หลังจากนั้นเวลาหลับจะจะ ก, กลัวจะก็เข้าไปตรงนั้นอีกก็เลยแบบว่าเหมือนกับอ่าอย่าไปกลัวสิไม่เป็นไรมันมันกลัวกลัวอย่าไปกลัวมันกล้ากล้าหน่อยพวกเรารักตัวเองมาก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 ถ้ากลางวันอย่างเงี้ยบางทีเราเดินหรือทำอะไรถ้าเราบริกรรมพุทโธไปด้วยอย่างเงี้ยครับได้ได้อ๋อจะ ท, ท, ทำให้ตนิ่งไหมครับพุทโธแล้วก็คอยรู้ทันใจไปบ้างนะเช่นพุทโธแล้วใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้เนใจแอบไปคิดเงี้ยรู้สึกไปครับเวลาใจไหลไปคิดนจะลืมพุทโธอืมครับพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ดีละใจสว่างสวัยขึ้นมาละเอาวันนี้ได้แค่นี้นะเชิญโยมกลับบ้าน